วันนี้เรากลังจะได้เห็นการสิ้นสุดของสิ่งสิ่งหนึ่งจะไม่ใช่แค่เห็นั้แต่คงจะรู้สึกหรือว่าสัมผัสได้ถึงการสิ้นสุดของสิ่งนั้นเป็นการอยู่ท่ามกลางของสิ่งที่ว่า ถึงนั่นคือนะปี58มันก็กำลังจะสิ้นสุดลงมันเริ่มต้นมาเมื่อ364สวันที่แล้วก็เป็นระยะเวลาที่ยาวยาวนานพอสมควรพอจะคิดเป็นชั่วโมง ก็เป็นหมื่นนะนะคิดเป็นนาทีนี่ก็ก็เป็นล้านได้สำหรับเราบางครั้งแม้เพียงแค่นาทีเดียวมันก็รู้สึกนานแล้วเช่นเวลาเราเรารอไฟแดงเนี่ยหกสิบวินาทีเก้าสิบวินาทีดูเหมือนยาวนานเหลือเกิน แต่ว่าปีห้าแปดนี้มันมันยาวเป็นเป็นเป็นล้านนาทีทีเดียวแต่เมื่อมันจะยาวแค่ไหนมันก็ต้องมีวันสิ้นสุดนะแล้วก็อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็จะสิ้นสุดลง อันนี้ก็เป็นธรรมดานะของทุกสิ่งไม่ว่ารูปธรรมหรือน้ามาธรรมแล้วปีห้าแปดจะเป็นสิ่งที่เราที่เรี่ามองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้นะแต่เราก็อาจจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของมันได้นะจากความเปลี่ยนแปลงของรดูการหรือว่าความเปลี่ยนแปลงของของปฏิทินนะ ปฏิทินเราก็ฉีกแล้วฉีกแล้วฉีกแล้วฉีกแล้วเมื่อแต่ละเดือนผ่านไปนะแล้วก็ทีนี้กี่ชั่วโมงก็ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนปฏิทินใหม่นะอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายนะถึงการสิ้นสุดนะของปีห้าแม้ว่าการสิ้นสุดของมันเนะี่ยแต่ละคนแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นประเทศอย่าง ญี่ปุ่นแล้วก็สิ้นสุดเร็วจะเป็นอย่างอเมริกาก็สิ้นสุดช้าห่างกันสนะิบสองสิบสาสิบสี่ชั่วโมงหรือยี่บสี่ชั่วโมงในสัปแต่ว่ามันก็ต้องสิ้นสุดไปจนได้อันนี้ก็เช่นเดียวกความทุกข์ของคนเรานะความทุกข์ของคนเราเนี่ยไม่ว่ามันจะ จะใหญ่หรือเล็กนะจะมากหรือน้อยนะมันก็มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกันแต่บ่อยครั้งเนี่ยเราก็ไม่ยอมให้มันสิ้นสุดนะเราก็ไปไปยึดไปคว้ามันเอาไว้นะไปหมกมุ่นคุนคิดถึงมัน หรือไม่ก็ไปแบกมันเอาไว้นะไปยึดมันเอาไว้การยึดเนี่ยนะทุกอย่างก็เป็นทุกทั้งนั้นเรียว่าแต่สิ่งที่ไม่ดีเลยมนะ้แสิ่งที่ดีๆที่ให้ความสุขกับเราเช่นเงินทองทรัพย์สมบัตินะลูกนะคนรักอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ น่ารักน่าพอใจแต่เมื่อยึดมันนะมันก็กลายเป็นภาระขึ้นมาทันทีนภำปสาทอะไรก็สิ่งที่ทําความไม่พอใจกับเราหรือมันสิ่งที่ไม่น่าพอใจยิ่งยึดเข้าไปมันยิ่งทุกข์เข้าไปแต่ถ้าเราเลิกเสมอว่านะมันไอความทุกขนะ์มันต้องมีวันสิ้นสุดนะ อันนี้ก็ทำให้เราเกิดความเพียร น, นะเกิดกําลังใจหรือความเกิดความอดทนมากขึ้นในการที่จะที่จะอยู่หรือว่าดูมันนะค่อยๆเลือลับหายไปมันเป็นสิ่งที่ให้ความหวังกับเราที่จริง การที่ผู้คนเนะฉลิมฉลอ ง, ลองสงทายปีเก่าเนี่ยในความหมายก็ยคือเพื่อส่งทายความทุกข์หรืออำลาความทุกข์ที่จริงแม้จะไม่อำลามั น, มนก็ต้องไปอยู่แล้วนะมันก็ต้องดับไปมันเป็นธรรมชาติของมันปนั่นเายที่ใจเรานะใจเราที่แม่ไม่ชอบนะแต่ว่าก็ ยังยึดมันเอาไว้เหมือนกับว่าไม่อยากจะให้มันดับไปสิ้นสุดไปมีบางคนเนี่ยขับรถนะถอยหลังนจะออกรถจะถอยรถออกจากบ้านนะก็พบว่าไปทับแมวตายเสียใจมากนะมันลูกแมวที่น่ารัก วันรุ่งขึ้นก็ก็ถอยรถทับแมวตายแล้ววันต่อไปก็ถอยรถทับแมวตายอีกเป็นเช่นนี้วันแล้ววันเล่าเป็นเดือนบางคนพูดไม่ดีกับพ่อพูดไม่ดีกับแม่เสียใจว่าทำไมพังปาก เผลอไปแต่แล้วลวันรุ่งขึ้นก็ทำอีกวันต่อไปก็ทำอีกทำอีกนะทั้งที่พ่อแม่ก็ตายไปแล้วแต่ก็ยังทำแล้วทำเล่านะเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีแล้วก็เสียใจที่ทำอย่างนั้นแต่ก็ไม่หยุดทำสักทีบางคนนะถูกโกงเงินไป เป็นล้านเสียใจกลัว ก, กุมใจแต่แล้ววันรุ้งขึ้นแล้ววันต่อๆไปก็ก็ยังถูกโกงเงินอีกคนระับแทนใจแล้วก็ถูกโกงอีกถูกโกงเป็นเดือนนะเป็นปีที่จริงเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วนะ แต่ว่ามันยังสดใหม่สมมติก็ว่ามันได้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเหตุการณ์มันจกไปแล้วแต่ว่าใจเขายังคิดนะใจเขายังคิดถึงสิ่งนั้นอยู่มันก็เลยมันกับว่ามันก็ยังเกิดขึ้นอีกคนที่ขับรถทับแมวตายนะมันก็ผ่านไปเป็นเดือนแล้วเป็นปีแล้วแต่ว่าคิดถึงเหตุการณ์นั้นอีกนะ มันก็เหมือนกับว่าทำซ้ำอีกคนที่เผลอด่าว่าพ่อแม่ไปแพ่อแม่ตายไปแล้วแต่ว่าพอคิดถึงเหตุการณ์นั้นก็เหมือนกับว่าทำซ้ำอีกทาซ้าอีกแล้วก็ทุกข์อีกทุกข์อีกคนที่โดนโกงเงินไปไอ้คนโกงก็ไม่รู้ไปไหนแล้ว แต่ว่าคนที่ถูกโกงเจ้าของทรัพย์ก็ยังคิดถึงเหตุการณ์นั้นซ้าแล้วซ้าอีกมันก็เลยเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นวันแล้ววันเล่าไม่จบสักทีเมื่อคิดถึงมันเมื่อไหร่นะก็เหมือนกับว่ามันได้เกิดขึ้นอีกหรือว่าเราได้ทำมันอีกครั้งหนึ่งใอ้ความคิดกับการกระทำนี่มันมัน มันไม่ได้แยกกันทีเดียวนะคนที่เขาคนนักดนตรีเนี่ยนะวันไหนวันไหนไม่มีเวลาซ้อมนะแต่ว่าเพียงแค่คิดเอาว่าได้ซ้อมว่าได้ดิดเปลี่ยนโนว่าได้ซีแว ล, ลินมันก็ไปช่วยทำให้สมองส่วนที่นะควบคุมเรื่องการใช้มือนะ ในการดีดเป็นโนในการซีว่าเลยเนี่ยมันทำงานเข้มแข็งขึ้นเหมือนกับว่าได้ได้เล่นเครื่องดนตรีนั้นอีกครั้งหนึ่งหรือว่าได้ซ้อมอีกถึงแม่ว่าเพียงแค่คิดเอานักนักว่ยน้ำเนี่ยอย่างมาร์เฟลฟ์เนี่ยเขาวน้ำซ้อมว่ยน้ำทุกวันทุกวันทุกวัน นะวันไหนไม่ได้ซ้อมหรือช่วงไหนที่ไม่ได้ซ้อมเขาก็นึกเอาว่าเขากําลังว่ายน้ำํำในการที่ค้ำนึกเนี่ยมันก็ไปทําให้ทักษะหรือความสามารถในการว่ายน้ำเขาดีขึ้นด้วยเพราะว่ามันไปทําให้สมองส่วนที่ไปคุมนะเรื่องการกํากับเรื่องการว่ายน้ำนมันทํางานได้ดีขึ้นนะั่จึงเรียกว่าการคิดเนี่ยก็เหือการทําทําซ้ํา ถ้าเราคิดถึงเรื่องดีๆมันก็แล้วไปนะมันก็ทำให้เกิดความเจริญ ง, งอกงามนะในทางการกระทามากขึ้นแต่ถ้าเราคิดในเรื่องที่ไม่ดีมันก็เหมือนกับเราทำซ้าอีกครั้งแต่ว่าเป็นการทำในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เกิดความทุกข์เกิดความเจ็บปวดอันนี้เรียกว่านะเรียกว่าไม่ยอมปล่อยให้มันสิ้นสุดยัง ยังยิดยังฉวยยังไปแบกมนันเอาไว้เหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถจะหวนกลับมาได้แต่เราก็อดไม่ได้ที่จะทําซ้ําอีกหรือว่าไปทําให้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าในความรู้สึกนึกคิดของเราในจิตใจของเราแล้วก็ส่งผลต่อต่อ อารมณ์ต่อนิสัยใจคอต่อพฤติกรรมของเราแล้วก็ต่อชีวิตของเราหรือต่อชะตากรรมของเราในที่สุดอันนี้ในแงๆนี้ก็หมายควาเราปล่อยให้อดีตเข้ามาเข้ามาบงการชีวิตของเราเข้ามากํากับกําหนดชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตาคนส่วนใหญ่นะก็เป็นอย่างนั้นทําอย่างนั้น มากบ้างน้อยบ้างนะเพราะว่าไม่ปล่อยไม่ยอมปล่อยให้มันผ่านไปเมื่อการและเวลานะนะปีห้าแปมมก็ในสุขก็ต้องสิ้นสุดลงแล้วก็ปีใหมก่ก็เกิดขึ้นแนมะ้มันจะเป็นสิ่งสมมุติก็ตามนะแต่ว่าไอ้วันแต่ละวันที่เปลี่ยนแปลงไป จากเช้าเป็นกลางคืนแล้วก็จากกลางคืนก็เป็นเช้าใหม่อันนี้มันจะเรียกว่าเป็นของจริงก็ได้มันเป็นวันใหม่ทุกวันดันั้นมันจะปีหม่ันจะปีก่อมจะสิ้นสุดลงไปห้าแปดมันจะจบลงเนี่ยอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นเพราะว่า ปฏิทิมันเปลี่ยนไปไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเวลาในโทรศัพท์ของเรามันมันบอกว่าเป็นวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่เท่านั้นนะมันอยู่ที่ใจเราด้วยนะว่าใจเราเนี่ยมันจะปล่อยให้ให้เหตุการณ์เร่อๆนี่มันผ่านไปนะหรือเปล่าปล่อยให้มันสิ้นสุดไปนะเพราะนั้นคือธรรมดาของมันอยู่แล้ว มันต้องไปอยู่แล้วอยู่เท่ใจเราจะยอมให้มันไปไหมหรือว่าจะปล่อยมันหมุนเวียนเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ําเล่าในความรู้สึกนึกคิดของเราอันนี้เราเลือกได้แล้วก็อย่าลืมนะที่ว่าเนี่ยการแบ่งถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกไม่จะแบ่งไปว่าในใจมันก็ทุกข์เหมือนกันแล้วก็ยิ่งทุกข์มากด้วยไอหินเนี่ยที่มันเป็นก้อนหินใหญ่ๆเนี่ย ถ้าเราเวลาเราแบกถ้าร่างกายเราไม่ไหวนะั้นมันก็ต้องปล่อยไปเองไม่มีทางเป็นอื่นไปได้แต่ใจนี่มันดือ้อรั้นกว่านั้นนะแม้ว่าแบกไว้ในใจแล้วใจมันก็ทุกทุกทุกแต่ใจมันก็ไม่ยอมไม่ยอมเหนื่อยไม่ยอมล้าชนิดที่ว่าจะวางเหมือนร่างกายเนี่ยร่างกายนี่มันล้าเองมันล้ายังไงก็ต้องล้าก็ต้องวางจนได้แต่ใจนี่มันมันอึดมากนะ มันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางแม้จะผ่านไปเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีแม้ในยามตื่นในยามฝันหรือยามหลับนะมันก็ยังยึดอยู่ทั้นแต่ว่าฝึกได้สอนไดนะ้สอนให้ปล่อยให้วางนะถ้าเรามีสติรู้ตัวนะรู้ตัวแบบเมื่อไหร่มัน มันวางเองมันวางเองั น, งอง น, น, นสติหรือความรู้สึกตัวนี่มันจำเป็นมากนะสถาการณ์ที่จะทำให้ใหปีเก่านี่มันสิ้นสุดลงไปอย่างแท้จริงหรือทำให้ความทุกข์มันหมดไปนะจริงจริงนะตั้งจากชีวิตแล้วก็จากความรู้สึกนึกคิดของเรา เคยมีการเคยมีการเรียกว่าเทศนาคู่หรือว่าเทศธรรมาทคู่นะครั้งหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมากนะระหว่างตรงพระโตนะสมเด็จพุทธจารย์กับพระพิมลธรรมนะวัดวัดโพนะวัดพระเฉยตุพลนะสองท่านนี้ก็เรียกว่าเป็น นักเทศชื่อดังแล้วก็คารมก็ก็ทันกันการเทศในบางทีเ็าก็<ๆ>มีลีลานะไม่ใช่เทศธรรมะอย่างเดียวแต่ว่าเทศแล้วเนี่ยเพื่อที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจนมุม้วยนะคือไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้เมื่อการโตวาทีนันนก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะแล้วก็เป็น เป็นความบันเทิงน้อยๆนะเพราะว่าได้ฟังธรรมด้วยแล้วก็ได้รสชาตินะของของปฏิพานได้อัตร์ของปฏิพาน ข, ขาวหนึ่งพระพุทธมณฑลก็บอกว่ า, วาเนี่ยภายธนาพ่อพายตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าแล้วก็ทิ้งไว้เท่านี้แหละให้สงพ่อโตนี้ท่าน ท่านต่อนะต่อนี่ก็ต้องต่อให้ได้ได้ได้ทั้งอัดทั้งรถด้วยนะก็คือว่ามันก็ต้องจังหวะก็ต้องสอดคล้องกันสัมผัส ต, ต้องรับกันแล้วก็ในแง่ของอัดถาก็ต้องต้อ ง, องไม่ด้อยไปกับกันแต่พูดอย่างนี้จะต่ อ, อยังไงนะหลนะวงพ่อโตท่อจะต่ อ, อยังไงคนก็นั่งฟัง พายถเถนะพ่อพายตลาดตะวันจะสายตลาดเจะวายสายบวัวจันแนวารอว่าตัวท่านก็มีปฏิพาณนะไม่น้อยนะนั่นก็บอกว่าก็โซ่ยังไม่แก้ปัจจัยยังไม่ไขจะพายไปไหวได้อย่างไรพ่อเจ้าคนก็ชื่นชมสรรเสริญมากนะเพราะว่าในแง่สัมผัสก็กรับกันได้ดีนะ ใ่าง่เนื้อหาก็เหนือกว่านะคือท่านเจ้าคุณพี่บอลทำนั่นก็บอกว่าเนี่ยเราต้องรีบนะต้องแข่งกับเวลานะนะเวลาไม่คอยท่านะอันนี้เราคงเคยได้ยินนะเวลาไม่คอยท่าต้องรีบเพราะไม่งั้นเนี่ยตลาดมันจะวายสายบัวมันจะเน่า แต่ว่าหลวงพ่อโตท่า น, นพูดได้เติอนใจได้ดีกว่าว่าจะรีบไปข้างหน้าได้อย่างไรนะถึงแม้จะรีบแต่มันก็ไม่ไปมันไม่มีทางไปข้างหน้าได้ถ้าหากว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ปลดโซ่นะยังไม่ได้แก้ปัจจัยนะคนเราก็ต้องปรงารถนาชีวิตที่เจริญก้าวหน้ามีความสุข นะอยากจะไปข้างหน้าอยากจะไปข้างหน้าแต่ว่าต้องขยันนะต้องเห็นมันเปลี่ยนอย่านิ่งดูได้อย่ า, อยารอโชคชะตาแต่ขยันความขยันอาจจะสูญเปล่าก็ได้ถ้าเกิดว่ามันผู้คนยังไวหวนึกถึงอดีตนะปล่อยให้อดีตมันเหมือนกับโซ่ที่คอยล่ามเอาไว้หลวงพ่อตัวท่านก็บอกว่ า, วาเนี่ยนะรีบอย่างเดียวไม่พอนะัขยันยังไม่พอนะมันต้องมี ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางด้วยคือมีสตินะสติปล่อยวางนะปลดเรื่องอดีตออกไปนะผู้คนส่วนใหญนะ่นะว่าจะขึ้นปีใหม่นะแต่ว่าใจมันก็ไม่ได้ไม่ได้ใหม่ตามไปด้วยใจยังเก่าอยู่นะเพราะว่าถูกคร่อบงำด้วยอดีตนะด้วยเหตุการณ์ที่เจ็บปวด อันนี้ก็เป็นข้อคิดเตือนใจน ะ, ะพวกพวกเราชาวพุทธได้เป็นอย่างดีที่จริงก็เป็นข้อเตือนใจส่วนคนทั่วไปด้วยนะปีใหม่มันจะไม่ใช่ใหม่แท้จริงนะถ้าว่าใจยังเก่าและใจเก่าได้เพราะว่ายัางถูกคล้องกันเรืองอดีตแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจนะเราเห็นว่าเออนะเราได้เรียนรู้จาก จากเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงของของศักราชหรือของปีถ้าเราถ้าเรามองเป็นนะมันก็ให้กำลังใจนะว่าแม้แต่ปีที่ยาวแม้แต่เวลาที่มันยาวนานมันก็ยังมีวันสิ้นสุดนะความทุกของเราแมนะ้มันจะนานแค่ไห น, นก็มีวันจบได้เหมือนกันนะและยิงถ้าเราปล่อยวางได้นะมันก็จ ะ, ะเรียกว่า เรต้นชีวิตใหม่ได้อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ให้ความหวังนะกับผู้คนนะซึ่งถ้าเราถ้าเรามองแบบนี้มันก็เกิดความเกิดกำลังใจเกิดนะเกิดกำลังใจแล้วก็น่าที่จะเฉลมิมฉลองเทศกาลแบบนีนะ้ในแง่ที่ว่าเออมันให้กาลังใจกับเราไม่ใช่แค่ว่าเป็นช่วงเวลาสำหรับการที่มาเลี้ยงมากินมาดื่ม มามาก็นเท่านั้นแต่ว่าวันลุงขึ้นหรือขึ้นใหม่ปีใหม่ก็เหมือนเดิมยังจมทุกข์เหมือนเดิมยังอ ม, มทุกข์เหมือนเดิมยังปกรกุ้มเหมือนเดิมยังทอแท้เหมือนเดิมอันนี้มันมันป่วยการเ ส, เสียประโยชน์นะปีเก่า น, นี้มันบอกเราว่าเนี่ยความทุกข์ของเรา ไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้ามันมีวันสิ้นสุดนะอย่าไปท้อถอยนะแล้วขณะเดียวกันก็ให้รู้จักวางใจให้เป็นแต่ในอีกด้านนึงมันก็บอกเหมือนกันนะว่าในเมื่อทุกอย่างมันมีวันสิ้นสุดเนี่ยนั่นก็หมายความว่ า, าความสุขของเราความปกติสุขของเราหรือสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันก็มีวันสิ้นสุดเหมือนกันนะ สิ่งที่เรามีสิ่งที่เรารักสิ่งเราผลหารเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมนะไม่วจะเป็นสิ่งของผู้คนหรือตัวเราเองก็ตามนะรวมทั้งสุขภาพร่างกายนะความหลุ่มความสาวความไม่มีโรคไปจนถึงแม้กระทั่งสติปัญญาแล้วก็ลมหายใจของเรา ไอ้พวกนี้มันก็มันก็มีวันสิ้นสุดเหมือนกันแม้ว่ามันจะอยู่กับเรามานานนานจนเหมือนกับว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดกาลเช่นกำลังวังชาสุขภาพรูลมหายใจรลมหายใจมันอยู่กับเรามาตั้งแต่ลืมตาดูโลกหรือตั้งแต่ออกมาสู่โลกนี้แ ล, นแล้วคนเราก็มักจะเผลอคิดไปว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอด กำลังวังชาก็เหมือนกันนะคนที่ตั้งแต่เด็ดวัยรุ่นนะก็สกู่กำลังชาวอยู่กับเรามาตลอดแต่จริงมันก็จะค่อยหมดไปหมดไปเช่นโอกาสแลวเวลาให้เมื่อเรานึกแบบนี้แล้วเนี่ยก็ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในงานเนี่ยเราก็มีกำลังใจมีความหวังว่าความทุกข์มันก็จะหมดสิน้น มัน ม, มีวันที่จะยืดเยื้อเป็นอมตะนิรันดร์การแต่หน้านนึงเราก็ต้องไม่ประมาทเพราะว่าสิ่งดีๆที่เรามีมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในแงานนี่นก็ใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่อย่าปล่อยให้เวลามันหมดไปโดยปล่าประโยชน์กำลังวังชาที่นีที่มีก็พยายามสงวนรักษาไวใใ้ใช้ในใช้ใน ใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์นะไม่ใช่ปล่อยให้มันหมดไปด้วยการเที่ยวการเล่นหรือว่าการใช้ร่างกายกับตรากตรำในสิ่งที่ร้ายประโยชน์น่แม้แต่การใช้ร่างกายากแบบแบบตรากตรำเนสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะเพราะว่ามันจะทาให้ในการทำประโยชน์เนี่ยมีเวลาทำได้น้อยลง ยิงสักตามทำในสิ่งที่มันไร้ประโยชน์นะเช่นความสุขสนานช่วนแล่นนะเลี้ยงฉลองเที่ยวดืม่มนะโอ้โ ห, โหก้นขิดอันนี้มันยิ่งแยกเข้าไปใหญ่บางคนหนักกว่านั้นนะเล่นยาเราบุหรี่อัดเข้าไปนะพอตอนนั้นเนี่ยพอตอนนั้นร่างกายยังไหวร่างกายยังไหวมันก็ดูเหมือนว่าทำได้นะ แต่มันไปสะสมเอาไว้สะสมจนวระทั่งทําให้ร่างกายแย่ลงเพราะฉันเนี่ยอย่าไเชื่อว่ามันจะไม่มีวันสิ้นสุดนะมันมีวันหมดนะมันมีวันหมดมันมีวันจบลงได้ในแง่อีหนึ่งนะนอกจากการใช้มันให้เป็นประโยชน์แล้วก็สงวนรักษามันให้มันอยู่ได้นานๆแล้วเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องการทํากิจ แต่วกันก็ต้องทำจิตด้วยเตรียมใจไว้ว่าไม่ว่าเราจะพยายามสงวนรักษาดูแลมันดียังไงนส่วนก็ต้องเสื่อมไปนั่ส่วนก็ต้องหมดไปร่นะางกายเราพยายามใช้นะอย่างระมัดระวังนะไม่ตากตามสมบุสมบันไปกับเรื่องที่ไร้สาระหรือแม้กระทั้งเรื่องที่มีประโยชน์แต่ว่ามันก็ต้อง ก, ก็ต้องรู้จักพัก นอกากนั้นล้วก็ต้องทำใจเลยเพราะว่าในสุดมันก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมบันดาเมื่อมันเสื่อมไปเมื่อมันหมดไปเราก็ใจจะได้ไม่ทุกข์อันนี้คือคือสาราที่เราควรจะได้นะจา๊าวันสิน้นปะีมาเตือนใจเราให้ทั้งความหวังกำลังใจนะ ในการที่จะฝ่าความทุกข์อุปสรรคต่างต่างนะในการที่จะฝ่าช่วงเวลาขาลงนะว่ามันแนปีห้าเก้ามันจะเราก็ไม่รู้มันจะขึ้นหรือลงแต่แม้มันจะลงนะเราก็ไม่ท้อไม่ถอยนะเพราะเรารู้ว่ามันก็จะมีวันสิ้นสุดนะมันจะไม่มีวัน อยู่ไปได้ตลอดแต่ในด้านหนึ่งแม้ปีห้าเก้าจะเป็นปีหาขาขึ้นเราก็ไม่ประมาทเราก็รู้ว่ามันขึ้นแล้วใน่สุดก็ตกหลายคนนี่พลาดมากนะเพราะว่าตอนช่วงเศรษฐกิจดีเนี่ยช่วงบางบางคนนี่ททำธุรกิจก่อสร้างช่วงที่ชาวนานี่ขายข้าวได้ราคา นะเปลี่ยนละหมื่นสองหรือว่าน้อยกว่า น, นั้นนิดหน่อยก็ตาลนะโอ้ยบางคนนี่ขายตั้งแต่เช้าตรู่จนสามสี่ห้าทุ่มยังไม่เลิกเลยชาวบ้านมีเงินชาวบ้านก็มาซื้อจะไปตกแต่งอุปกรณ์สร้างบ้านบางทีก็ต้องเอาเอาปูนไปส่งให้ถึงบ้านนะสามสีนะ่ 3, ทุ่มนะว่กยได้ เข้าร้านแล้กลับบ้านก่จะปิดร้านนะแล้วก็ไม่เฉลียวใจนะว่าไ อ, ไอช่วงเวลาที่รุ่งโรนนี่มันก็มีวันสิ้นสุดนะเพราะว่ามันอยู่ได้แค่สองปีนะพอรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายข้าวก็ราคาตกชาวนาก็ไม่มีเงินนะมากเหมือนก่อนของก็ขายไม่ค่อยออกแล้ว ก็กลุ้มบ อ, อกกุ้มใจกลุ้มบ อ, อกกุ้มใจมเพราะว่าในสินมันก็อดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้นเพิ่มก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยเื่แล้วช่วงที่ขาขึ้นนี่ก็โอ้ใช้เงินเงินนะออกร ถ, ออก ร, ถออกราเที่ยวต่างอันนี้เพราะประมาทนะประมาทประมาทในความสุขประมาทในความสําเร็จประมาทใน ในช่วงขาขึ้นิงปีใหม่ปีเก่ามันก็สอนใจเราได้เยอะนะมันมันแสงแงคิดทางธรรมอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าแต่เพราะว่าคนไปคิดแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นแค่เทศกาลหนึ่งนะที่จะเฉลิมฉลองกันนะื่อเลยไม่ได้อะไรนะจากเทศกาลบางทีกลับเกิดความเสียหายด้วย เช่นฉลองฉลองจนเมาเมาเสร็จฉลองสิ้นปีของส่งท้ายปีเก่านะบอกว่าปีเก่ายังไม่ทันจะไปเลยตัวเองไปก่อนซะละนะอย่างปีที่แล้วนี่ครูก็คนหนึ่งก็ขับรถชนต้นไม้ตายวันที่สามสิบธันวาหลังจากที่ไปฉลองจนเมาลงเขาไปปีเก่ายังไม่ทันไปเลยนะตัวเอง ฉลองปีเก่านะแต่ปีเก่าไม่ทันไปเลียงไปซะแล้วนี่พอประมาณนะพอะไปคิดว่าเนี่ยมันเป็นแค่ช่วงเวลาของการเฉลมิมฉลองความสนุกสุดเวียงแต่ไม่ได้คิดว่าเอ๊ะมันสอนเรานะว่าอย่าประมาทอย่าประมาทนะมันสอนเรานะว่าชีวะชีว เ, เราก็ต้องมีวันสิ้นสุดนะมีวันจบนะไม่ใช่ว่า มันจะอยู่ไปคำฟ้ามันต้องระมัดระวังให้เราเก็บเกี่ยวนะหรือว่าได้อาศัยความเปลี่ยนแปลงของของปีหรือเหตุการณนะ์มาเป็นเครื่องเตือนใจเราให้ในด้านนี้ก็มีในด้า น, นก็ไม่ประมาทนะไม่ประมาทในในชีวิตไม่ประมาทในความสุขที่มีแต่เด้วยกันก็ให้มีความหวังด้วยนะว่า ความทุกข์ที่เกิดขึ้นอุปสรรคที่ปรากฏนะเหตุการณ์ย่าแย่ที่มีอยู่นะั้นมันก็จะสิ้นสุดนะมันมีวันจบจนะไปท้อแท้สิ้นหวังแต่ในทางการก็ต้องไอ้ส่วนที่มันไปผ่านไปแล้วก็ต้องวางด้วยนะไม่ใช่ว่าส่วนที่ส่วนที่ไปแล้วยังไม่วางนะยังเก็บมาคิดอยู่ทุกวันทุกวันเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นอีก ส่วนไออุปสรรคความทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ในวันนี้นะก็ยังก็มกเอาแต่ท้อแท้นะไม่มีความหวังอะไรกับมันเลยนะเพราะคิดว่ามันจะอยู่ไปตลอดอันนี้ยิ่งแยนะ่เทศกาลนะมันมีประโยชน์นะถ้าหากว่าเรารู้จักคิดรู้จักมองรู้จักใช้ให้เป็นอาแล้วก็ผู้ันเท่านี้ชาวนี้อ่ะกราบพระ